จิตตนครมีสองศาสนาเรื่องการผรชนมานของพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงทรงระจนทิดามาน จนทรงได้ชัยชนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าผู้ทรงอุบัติขึ้นในโลกเมื่อประมาณ45ปีก่อนพุทธศักราชและพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในสมัยนั้นพุทธบริษัทก็ได้เริ่มมีขึ้นในสมัยนั้นเช่นเดียวกันก่อนแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ได้มีศาสนาอื่นอยู่แล้วหลายศาสนาและยังได้มีศาสนาต่างๆเกิดตามหลังพระพุทธศาสนาอีก หลายศาสนาในปัจจุบันนี้ได้มีศาสนาต่างๆสั่งสอนกันอยู่ในโลกหลายศาสนาแต่เป็นข้อที่แปลกอย่างยิ่งในจิตนครมีอยู่เพียงสองศาสนาเท่านั้นคือพุทธศาสนาและสมุ ท, ทยัยศาสนากลับมีข้อที่ยิ่งแปลกคือพระพุทธเจ้าในจิตตนครได้เสด็จดับขันพระริพิพานเหมือนองค์พระพุทธเจ้าในโลกไม่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 พุทธศาสนานั้นคือศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามที่เข้าใจกันนั่นแหละส่วนสมุททยศาสนาคือศาสนาคำสั่งสอนของสมุททยที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ามารมานนั่นเองจึงเกิดปัญหาว่ามารหรือสมุททยก็มีศาสนาด้วยหรือเรื่องเป็นอย่างไรจึงขอเล่าเสียเลยว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาในจิตนครฝ่ายสมุทยกับคู่อาสวะเกรงว่าพระองค์จะทรงทำชาวจิตนครให้เป็นพุทธบริษัทไปเสียหมดและตนก็จะเสื่อมถอยอำนาจจะสิ้นอำนาจครองใจคนต่อไปจึงเห็นว่าจําจะต้องตั้งศาสนาขึ้นต่อต้านไว้แต่การที่จะตั้งศาสนาขึ้นนั้นจาจะต้องแสดงตนเป็นศาสดา กล่าวสั่งสอนลัทธิปฏิบัติที่ชวนให้โลภโกรธหลงหัวโจกทั้งสมนี้สมุทัยได้ใช้ให้คุมใจคนและคอยสอดแทรกอยู่ในใจคนอยู่แล้วสมุทัยจึงแสดงตนเป็นศาสดากล่าวสั่งสอนลัทธิปฏิบัติดังกล่าวสอดแทรกโลภโกรธหลงหรือกิเลสตัณหาพร้อมทั้งอารมณ์ หล่อให้เห็นเป็นรูปนิมิตรจริงจังเช่นเห็นเป็นเทพเจ้ามาปรากฏองค์ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบบอกกล่าวข้ออนุสาสตรบ้างเมื่อใส่โลภเข้าไปในใจแล้วสมุทัยก็รู้ว่าสอนวิธีให้ได้สมโลภ บ, บ้างก็จะเกิดความนับถือเมื่อใส่หลงเข้าไปในจิตใจแล้วสมุทัยก็รู้ว่าหลงไหลในโลกไม่อยากจะตายอยากจะเกิดเสวยสุข อยู่นิรันดร์ก็สอนเรื่องภูมิแห่งสุขนิรันดรเช่นนั้นจึงเกิดเป็นศาสนาขึ้นอีกศาสนาหนึ่งเรียกให้ต่างจากพุทธศาสนาว่าสมุทัยศาสนาหรือมารศาสนามารศาสนานี้ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่าพุทธศาสนาสอนให้ไปในทางที่ตะวันออกมารศาสนาก็สอนให้ไปทางที่ตะวันตกสอนค้านกันอยู่ดังนี้ พราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พ้นจากอำนาจสมุ ท, ทยัยส่วนสมุทัยสอนผูกไว้ไม่ปล่อยให้หลุดพ้นไปได้ชาวจิตตนครจึงพากันพวะภวังบางคนนับถือทางนี้บางคนนับถือทางโน้นคนเดียวกันนั่นแหละบางคราวนับถือพระบางคราวนับถือมารด้วยเข้าใจว่าเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปก็มีผู้มาบริหารจิต คือผู้กำลังพยายามทาจิตตนครของตนให้มีเพียงพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ให้มีศาสนามาร น, นั่นก็คือผู้มาบริหารจิตกำลังพยายามทาจิตของตนให้ผลจากอานาจของสมุทยัยมีโลภโกรธหลงเป็นสำคัญทำได้ผลมากเพียงไรคือฟังเสียงสั่งสอนของศาสนามานน้อยลงเพียงไร ก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขยิ่งขึ้นเพียงนั้นผู้นำศาสนาทั้งสองเข้าไปตั้งในจิตนครได้กล่าวถึงศาสนาในจิตนครว่ามีเพียงสองศาสนาเท่านั้นคือพุทธศาสนาและสมุทัยศาสนาหรือศาสนาของพระพุทธเจ้ากับศาสนาของมาร น, น่าจะมีใครสงสัยบ้างก็ได้ ว่าใครเป็นผู้นำศาสนาทั้งสองเข้าไปสั่งสอนในจิตนครก็น่าจะบอกเสียทีเดียวว่าสำหรับมารศาสนาหรือสมุทัยศาสนานั้นคู่อาสาวะนั่นเองเป็นผู้นำเข้าไปและคอยแนะนำนครสามีให้นับถือส่วนพุทธศาสนาก็คู่บา ร, รมีของนครสามีเป็นผู้นำเข้าไปและก็คอยแนะ น, นาคนครสามีให้นับถือ ชั้นแรกนครสามีเอนเอียงไปทางคู่อาสวะมากสมุทัยกับพรรคพวกครองอำนาจในจิตนครเต็มที่คุมระบบสื่อสารทั้งหมดคุมชาวจิตนครทั้งหมดทุกบ้านทุกตัวคนคุมไตรทวารของจินตนาการตังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อมาเมื่อความยุ่งยากความทุกข์เดือดร้อนเกิดมากขึ้นเพราะพรรคพวกอาสวะ เกิดชล่าใจประพฤติทุจริตจะแจ้งมากขึ้นทุกทีจนชาวจิตตนครเริ่มรู้สึกถึงความชั่วร้ายของพรกพวกสมุไทยคู่บา ร, รมีจึงได้โอกาสเริ่มเข้าพบแนะนำนครสามีให้เรียกศีลและหิอริอั ป, ปะมาใช้ในกิจการบ้านเมืองดูบ้างตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระบรมครูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นครสามีได้ยอมปฏิบัติตามโดยเรียกศีนเป็นต้นมาใช้พุทธศาสนาจึงได้เริ่มเข้าสู่จิตนครเป็นเหตุให้สมุทัยหวาดสะดุง้งหาโอกาสเข้ายุ่งแย่นครสามีให้เลิกใช้สีและฮิริโอตปะกลับไปใช้พักผูกของสมุทัยตามเดิมครั้นความทุกข์เดือดร้อนกลับเกิดขึ้นมาอีก คู่บารมีก็เข้าให้สติตักเตือนนครสามีให้เรียกศีลกับฮิริโอต ป, ปะกลับมาใช้อีกและคราวนี้คู่บารมีมีเสริมกําลังโดยเพิ่มอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษมาช่วยศีลกับฮิริโอต ป, ปะเข้ามาอีกฝ่ายสมุทัยก็เข้าขอให้คู่อาสวะช่วยให้แข็งแรงขึ้นเพราะสมุทัยนั้น ปกติกลัวคู่บารมีไม่กล้าสูา้หน้าต้องอาศัยคู่อาสวะจึงนับว่าเป็นฝ่ายข้างในของนครสามีเข้าช่วยสนับสนุนตนและคู่อาสวะนั้นเป็นคู่ปรับสำคัญของคู่บารมีเป็นพวกสมุทยัยจึงได้เข้าช่วยสมุทยัยโดยแนะนำนครสามีให้เลิกใช้ผู้ที่คู่บารมีนาเข้ามาเสียทั้งหมด เมื่อเห็นว่าจะไม่อาจให้นครสามีเลิกใช้ได้ทั้งหมดเพราะนครสามีก็ฟังคู่บารมีอยู่มากก็แนะนำให้เรียกใช้ฝ่ายสมุทรไทยด้วยเพราะจะทำให้บ้านเมืองสนุกสนานและเจริญฝ่ายนครสามีฟังทางน้อนบ้างทางนี้บ้างในที่สุดก็เรียกใช้ทั้งสองฝ่ายเพราะมีอยู่ทั้งคู่อาสวะทั้งคู่บารมีในจิตนครจึงมีทั้งฝ่ายกุศล ทั้งฝ่ายอากุศลศาสนาก็มีทั้งพุทธศาสนามานศาสนาต่างก็แสดงสั่งสอนแก่าชาวจิตตนครกันอย่างเต็มที่ข้อความที่กล่าวมานี้ดูน่าจะซ้ํากับที่ได้กล่าวเล่ามาแล้วเป็นข้อความที่ซ้ําจริงด้วยความจงใจกล่าวเพื่อทบทวนข้อความที่กล่าวมาแล้วมากและนานโดยย่อสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเล่าต่อไป ในน่าคิดว่าชาวจิตตนครก็น่าจะเหมือนกับชาวโลกทั่วไปซึ่งต่างก็ทำดีบ้างชั่วบ้างเพราะความดีความชั่วย่อมมีอยู่ตามธรรมดาโลกแต่ก็มีข้อต่างกันที่ชาวจิตตนครเป็นผู้นับถือศาสนาด้วยกันทั้งนั้นถ้ามิใช่พุทธศาสนิกก็มารศาสนกที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนั้นหามีไม่และข้อที่น่าเห็นว่าแปลก อีกข้อหนึ่งก็คือโดยมากนับถือกันทั้งสองศาสนาอย่างเปิดเผยเมื่อคนมีทั้งคู่บรมีคือฝ่ายดีและคู่อาสวะคือฝ่ายชั่วคอยกระซิบใจอยู่ตลอดเวลาปกติจึงย่อมจะทำดีบ้างชั่วบ้างเพราะเชื่อเสียงคู่อาสวะบ้างและเชื่อเสียงคู่บรมีบ้างปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้น ที่จะทำให้เห็นชัดถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเสียงของคู่บา ร, รมีคือเสียงของฝ่ายดีเท่านั้นที่ควรฟังควรเชื่อและควรปฏิบัติตามเสียงของคู่อาสวะคือเสียงของฝ่ายไม่ดีไม่ควรฟังไม่ควรเชื่อและไม่ควรปฏิบัติตามและก็ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นที่จะทำให้ตัดสินลงไปได้ถูกต้องว่าเสียงไหนคือเสียงของฝ่ายดี และเสียงไหนคือเสียงของฝ่ายชั่วนอกจากปัญญาและเหตุผลแล้วจะไม่มีอะไรทำให้รู้ได้ด้วยตนเองบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายจึงควรอบรมปัญญาอบรมความมีเหตุผลให้ยิ่งขึ้นจนถึงสามารถทำจิตนครของตนให้มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นมานศาสนาจะไม่อาจอยู่ทาลายความสงบสุขของจิตใจได้เลย ความแตกต่างแห่งสองศาสนาจะเล่าสักเล็กน้อยว่าพุทธศาสนาในจิตนครสอนอย่างไรมารศาสนาสอนอย่างไรพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติทางนี้ให้มีศีลคือให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประทุษร้ายร่างกายการทรมานธรกรรมสัตว์เว้นจากการลักขโมยช่อโคงต่าง เว้นจากความประพฤติผิดในทางการเว้นจากผู้เท็จหลอกลวงเว้นจากดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยทุกชนิดให้มีเหริคือความละอายรังเกยียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามรังเกยียจสิ่งสกปรกให้มีอตปะความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆ เหมือนอย่างบุคคลผู้รักชีวิตเกรงกลัวต่ออสารพิษที่ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ส่วนมานศาสนาสอนให้ปฏิบัติทังนี้ให้ฆ่าให้ประทุษร้ายให้ทำทรมานธรกรรมสัตว์ให้ลักขโมยช่อโกงให้ประพฤติผิดในทางกามให้ปูดเท็จหลอกลวงให้ดื่มน้ำเมาเมื่อมีกฎหมายห้าม ได้มีบทลงโทษผู้ประพฤติละเมิดกลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมายหากจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ทําอย่าให้ถูกจับได้เมื่อยังไม่มีโอกาสจะฝืนกฎหมายก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไปก่อนมีโอกาสเมื่อใดก็ค่อยทําตามที่อยากทําไม่จําต้องคํานึงถึงศีลทำอะไรให้นิยมยินดีในการทําความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆไม่ต้องอาย ไม่ต้องรังเกยียจไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนอกจากนี้พุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ให้มีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติรักษาใจไม่ให้ซัดสายขึ้นลงเพราะความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่าง ให้มีสติสัมปชัญญะคือมีสติระลึกสัมปชัญญะรู้ตัวในเวลายืนเดินนั่งนอนหรือในอิริยาบถเล็กน้อยหรือในอากับกิริยาต่างๆให้มีสันโดษคือความยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่มีความอิ่มความเต็มความพอใจในผลต่างๆที่ได้รับแต่ก็มีความเพียรปฏิบัติ ในเหตุหรือกรณียะคือกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นท่านอธิบายสันโดษ ด, ดังกล่าวออกไปเป็นความยินดีตามได้ความยินดีตามกำลังความยินดีตามความสมควรแต่มัธศาสนาสอนให้ปล่อยตาให้ดูปล่อยหูให้ฟังตลอดถึงปล่อยให้คิดไปตามสบายให้ยินดีในสิ่งที่น่ายินดีให้ยินร้ายในสิ่งที่ไม่ชอบ อย่าไปฝืนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนสนุกสนานไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพดีกว่าสอนให้ปล่อยสติสัพชัญญะไม่จำเป็นต้องไปะวงทำความรู้ตัวอยู่ในอาการเดินยืนนั่งนอนของตนในอากับกิริยาต่างๆสอนให้โลภอยากได้ให้มากๆเมื่อยังมีอยู่น้อยก็อย่าเพิ่งไปอิ่มไปพอซิก่อน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 คูบรมีนับถืออุปถัมภ์พุทธศาสนาส่วนคู่อาสวะนับถืออุปถัมภ์มารศาสนาผู้อุปถัมภ์ทั้งสองนี้ต่างก็แข่งด้วยกันและดำเนินการประกาศเผยแผ่ศาสนาของตนในจิตนาการอย่างเต็มที่ในกรณีนี้นครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตนากรหรือเราท่านทั้งหลายนี่เอง มีหน้าที่สําคัญจะต้องช่วยคุ้มครองป้องกันจิตนครของตนให้ร่มเย็นเป็นสุขอะไรที่จะนําให้เกิดทุกข์เกิดร้อนต้องป้องกันกําจัดแต่การจะดูให้เห็นว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงอะไรเป็นความทุกข์ของจิตนครนนั้นดูเห็นได้ยากสามัญชนทั่วไปมักจะเห็นความทุกข์เป็นสุขเห็นความร้อนเป็นความเย็น ปัญญาและเหตุผลเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความเห็นตรงตามความจริงจนถึงรังเกียจสิ่งที่เป็นโทษหรือฝ่ายคู่อาสวะปรารถนาสิ่งที่เป็นคุณหรือคู่บรารมีการศึกษาพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนคือการอบรมปัญญาและเหตุผลที่จะทําให้เห็นคุณของคู่บรารมีและเห็นโทษของคู่อาสวะ สามารถทําจิตตนครคือใจให้มีทุกน้อยมีสุขมากในจิตตนครมีเสรีภาพเต็มที่ในการนับถือศาสนาได้กล่าวถึงศาสนาในจิตตนครแล้วว่าชาวจิตตนครส่วนใหญ่พากันนับถือทั้งพระพุทธศาสนาและมารศาสนากันอย่างเปิดเผย และได้มีกระบวนการประกาศเผยแผ่ศาสนาทั้งสองในจิตนครโดยมีคู่บา ร, รมีของนครสามีและคู่อสาาวะต่างอุปถัมภ์กันข้างละหนึ่งจึงเป็นเหตุให้นครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตนครต้องรับเป็นศาสนาอุปถัมภพกทั้งสองศาสนาและประชาชนชาวจิตนครย่อมมีเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติลทัทธิ พิธีกรรมศาสนาตามที่นับถือในเมื่อการนับถือปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ดูเหมือนกับประชาชนแห่งชาติเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกที่ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามศรัทธาของแต่ละคนแม้ใครจะไม่นับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่ในจิตตนครังกล่าวแล้วทุกคนนับถือศาสนาทั้งนั้น ดูก็น่าเห็นว่าแปลกจากในโลกทั่วไปอันที่จริงถ้าดูเข้าให้ถึงจิตใจแล้วก็ไม่น่าจะแปลกเพราะทุกคนจะต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในนับถือความเห็นนั้นเช่นนับถือความเห็นทางลทัทธิอย่างหนึ่งนับถือความเห็นของตนว่าควรนับถือหรือไม่ควรนับถือศาสนาแม้ทั้งหมดความเห็นนั่นแหละเท่ากับเป็นศาสนาทางจิตใจโดยตรง ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกก็เป็นพระพุทธศาสนาถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นมารศาสนาฉะนั้นเมื่อพูดด้วยภาษาของจิตนครทุกคนจึงนับถือศาสนาทั้งนั้นไม่พระพุทธศาสนา ก, ก็มารศาสนาหรือทั้งสองและจะต้องอธิบายการนับถือพระพุทธศาสนาต่างออกไปจากที่เข้าใจและถือกันทั่วไปบ้าง เพราะตามที่เข้าใจและถือกันเมื่อแสดงตนเป็นผู้นับถือก็ชื่อว่านับถือได้หรือแม้เกิดในตระกูลของผู้นับถือก็ชื่อว่านับถือตามกันมาแต่ตามภาษาของจิตนครอยู่ที่ความเห็นดังกล่าวไม่ใช่อยู่ที่การแสดงตนดังนั้ น, น, นแม้แสดงตนว่านับถือหรือเกิดในตระกูลของผู้นับถือพระพุทธศาสนา แต่มีความเห็นผิดยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนั้นเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหรือกลับกันว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีเห็นศีลหิริโอตปะเป็นต้นไม่อำนวยประโยชน์มัวรักษาศีลจะต้องอยากจนถังนี้เป็นต้นก็หาชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาไม่แต่โดยที่แท้ กลายเป็นนับถือมารศาสนาต่างหากถ้ามีความเห็นถูกต้องตรงกันข้ามเช่นมีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรมเป็นเหตุให้ละคำที่ชั่วที่ผิดประกอบกรรมที่ดีที่ชอบแม้จะไม่ได้แสดงตนว่านับถือพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาเพราะมีความเห็นชอบถูกต้องตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้อง ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยหน้าพิศวงค์ที่จิตตนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองชั้นไหนที่ตั้งอยู่ในจิตใจนี้เองทํานองเป็นเมืองลับแหลมมิใช่เป็นเมืองลับแลภายนอกเป็นเมืองลับแลภายในจิตใจมีอะไรอะไรที่ดูเหมือนต่างจากโลกภายนอกเป็นอย่างนี้ในโลกภายนอกแต่เป็นอีกอย่างหนึ่งในจิตตนคร เช่นที่เกี่ยวกับศาสนาในโลกภายนอกมีมากมายแต่ในจิตนครมีสองเท่านั้นในโลกภายนอกใครจะนับถือหรือไม่นับถือเลยก็ได้ในจิตนครนับถือทั่วหน้ากันหมดในโลกภายนอกชื่อว่านับถือตามที่แสดงต้นเป็นตน้นในจิตนครชื่อว่านับถือศาสนาไหนตามทิฏฐิที่มีอยู่จริงๆของแต่ละคน ลองมณัิสิการ์ให้ดีๆจะรู้สึกว่าจิตนครไม่ใช่เมืองลับแลแต่เป็นเมืองเปิดเผยจริงแท้แน่นอนบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้มีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรมหรือมิฉช่นั้นก็เป็นผู้ที่สนใจจะอบรมความเห็นถูกต้องเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาตามแบบของจิตนคร ไม่ใช่ผู้นับถือมานศาสนาเป็นผู้พยายามฝึกอบรมตนให้ปฏิบัติถูกชอบตามคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นเหตุให้ถึงความสุขสวัสด์ยิ่งขึ้นสื่อไปอันเป็นผลดีของการทำเหตุดีสวรรค์หกชั้นสมุทัยหรือมารตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียก เมื่อกล่าวตามตำนานทางศาสนาสายหนึ่งเป็นเทพผู้เป็นราชาแห่งกาาวจรสวรรค์หกชั้นคือชั้นปรนิ ม, มิตวัสวัฎีท่านว่าสวรรค์ชั้นนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ขัดขวางโลกุตระอีกฝ่ายหนึ่งขัดขวางโลกุตระฝ่ายหลังนี้เป็นพวกมารซึ่งมีราชาชื่อวัสวัดี มักเรียกในหนังสือเก่าๆว่าพยาวัสวัสดีมาราธิราชพยามานี้เองที่ได้นำพลเสนามาผจนพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้และยังได้มาอีกหลายครั้งจนถึงได้มาทูลให้เสด็จพระนิพพานและยังได้เที่ยวรังควานผู้อื่นอีกเช่นดลใจพระอานน์ไม่ให้ได้สติ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 หลายครั้งหลายหนเมื่อกล่าวตามเรื่องราวแห่งจิตรนครมารหรือสมุไทยสถิตยอยู่ในจิตรนครนี้เองทั้งอยู่ในสำนักของนครสามีนั่นแหละเป็นผู้ที่นครสามีไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายให้ดำเนินการปกครองและจัดแจงสิ่งต่างๆทางบ้านเมืองและสมุไทยยังมีคู่อสวะผู้เป็นฝ่ายในสนิทกับนครสามีสนับสนุนอยู่เต็มที่ จึงมีอำนาจครองใจชาวจิตนครทั่วไปแต่สมุททยเป็นชาวต่างถิ่นไม่ใช่ถิ่นกำเนิดเป็นชาวจิตนครมาแต่เดิมจึงเป็นประเภทคนจรหมอนมินดังที่เคยกล่าวแล้วเมื่อเป็นอาคันตุ ก, กะมาสู่จิตนครได้เข้าถึงนครสามีทาให้เป็นที่โปรดปรานได้แล้วก็ทำท่ายึดจิตนครเป็นที่อาศัยอยู่ถาวร และก็ได้ยึดครองจิตนครไว้จริงๆตามเรื่องที่เล่ามานี้แสดงว่ามารหรือสมุไทยมิใช่เป็นบุคคลต้อยต่ําตามประวัติสายหนึ่งก็เป็นราชาแห่งฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งกามาวจรสวรรค์ตามเรื่องแห่งจิตนครก็เป็นผู้มีอํานาจมากอยู่ในจิตนครดังกล่าวสมุไทยหรือมาร ต้องการให้ใครเรียกยกย่องเช่นว่านันทากรบ่อเกิดแห่งความเป็นบันเทิงสุขากรบ่อเกิดแห่งความสุขหรือแม้เรียกว่าวศวตีผู้ใช้อำนาจอันที่จริงคำนี้มีความแรงพอๆกับคำว่าจากกักรวตีหรือจักรพัฒผู้ใช้จักรถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็เป็นคำที่แรงกว่า เพราะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาเอกในโลกมนุษย์มีอำนาจครอบครองมนุษย์โลกเท่านั้นส่วนพระเจ้าวสวรีหรือวสพัทมีอำนาจครอบครองทั้งมนุษย์ทั้งเทพแห่งสวรรค์ทุกชั้นและมีอำนาจครอบครองไปในอบายภูมิทุกชั้นด้วยเป็นอันว่าไม่มีใครในไตรภูมิคือกามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิที่จะพ้นไปจากอำนาจครอบงำของสมุทยัทยหรือมารทั้งนี้เว้นแต่โล ก, กุตรภูมิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมารพยายามรักษาสัตว์โลกทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้งสามข้างต้นพยายามป้องกันสุดฝีมือมิให้ไปสู่โล ก, กุตระซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกอำนาจของมาร หรือสมุทยเรียกตามภาษาธรรมบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายก็รวมอยู่ในคำว่าสัตว์โลกแม้จะเป็นสัตว์โลกที่ยังอยู่ในอำนาจครอบงาของสมุทัยหรือมารแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยอมจํานวนต่อมาอย่างสิ้นเชิงได้พยายามต่อต้านอำนาจของมารบริหารจิตให้บริบูรณ์ด้วยศีลหิริ ความละอายรังเกียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆโอต ป, ปะความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆอินทรีสังวรความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นสติสัมปชัญญระระลึกรู้ตัวใน ิริยาบทต่างๆและสันโดษความยินดีตามได้ตามกำลังตามสมควรความบกพร่องในธรรมดังกล่าวมีน้อยเพียงใดก็จะทำให้ผู้นั้นมีความสุขความพ้นจากอำนาจของมานเพียงนั้น